ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัญนาตวิตตะกสันทานสูตรนี้ก็ยังกล่าวถึงวิธีขุดถอนรากอากุศลวิตกนั่นอย่างสูตรก่อนนั้นเน้นว่าอากุศลวิตกมีโทษอย่างไรกุศลวิตกมีคุณอย่างไรและอากุศลวิตกด้วยประการใดแล้วก็เจริญกุศลวิตกอย่างไรนะนะโดยยกข้อปฏิบัติของพระองค์นั้นเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่าง พอในสูตรนี้พระผู้มีพระภาคนั้นแสดงธรรมให้พระพิสุท์ทั้งหลายฟังถึงวิธีขุดรากถอนโคนอากุศลวิตกทั้งหลายคือแสดงถึงการละธรรมที่ควรละเนี่ยนะประหาตประธรรมน่นะการกล่าวถึงธรรมที่ควรละคืออากุศลวิตกสามนั้นถือว่าเป็นธรรมที่ควรละ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 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายภิกษุผู้มั่นประกอบอธิจิตก็คือประกอบสมะถะทั้งหลายเจริญสมะถะทั้งหลายควรมณสิการถึงนิมิตหประการอันนะคือควรมณสิการถึงเหตุหประการตามเวลาอันสมควรเถิดคือหมายความว่าถ้าอากุศ ล, ลวิตกเกิดขึ้นควรเจริญนิมิตหประการเพื่อกําจัดอกุศลหรือเหตุหประการเพื่อกําจัด อกุศลวิตกเหล่านั้นนะฮะผู้ที่จะอ บ, บรมจิตปรารถนาที่จะให้จิตนี้เป็นกุศลให้กุศลจิตนั้นเจริญงอกงามยิ่งยิ่ ง, งขึ้นจะต้องรู้วิธีกำจัดอกุศลวิตกทั้งหลายเพราะอันตรายของการเจริญสมาธิที่สุดก็คืออกุศลวิตกนั่นเองเพราะว่าการเจริญสมาธิเนี่ยนะสมาธิอย่างปฐมฌานก็ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเกิดจาก สมาธิมันก็การเจริญกุศลวิตกเป็นการเจริญเนคข ม, มวิตกเจริญอัพยาบาทวิตกเจริญอวิหิงสาวิตกนั้นการเจริญอกุศลเอ่อเจริญอธิจิตตสิกขาก็คือการเจริญกุศลวิตกนั่นเองนะเจริญสัมมาสังกัปปะที่เป็นตัวชี้นาให้สมาธินี้เกิดขึ้นที่นี่จิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยปกติแล้วไม่ใช่ว่าเป็นแต่กุศลอย่างเดียว นะถ้าตรึกที่เป็นกุศลได้มันก็ตรึกที่เป็นอกุศลได้เพราะอากุศลเนี่ยฝึกมาจนชํานาญแต่กุศลเพิ่งมาเริ่มฝึกเริ่มหัดเริ่มเจริญเน่ยนะมันนิมิตห้าประการหรือเหตุห้าประการนั้นเป็นไนดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อาศัยสมาธินินมิตใ ด, ดแล้วมนานัสการนิมิตใ ด, ดยอยู่คือหมายถึงว่าคิดถึงสิ่งใดแล้ว วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอากุศลสูตรก่อนบอกว่าอะไรกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแต่สูตรนี้บอกว่าวิตกที่ประกอบด้วยฉัทะคือประกอบด้วยโลภะบ้างวิตกที่ประกอบกับโทสะหรือวิตกที่ประกอบกับโมหะเนี่ยนะย่อมเกิดขึ้นแปลว่าเจริญสมถะเจริญไปเจริญไปอกุศลธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นอกุศลวิตกทั้งหลายก็เกิดขึ้น อากุศลวิตกที่ประกอบด้วยฉันทาก็คือโลภะมูลจิต8คือวิตกที่เกิดร่วมกับโลภะแปวิตกที่เกิดร่วมกับโทสะสองวิตกที่เกิดร่วมกับ อ, อากุศลจิต12หรืออุทะจะและวิจิกิจฉานั่นเองสรุปว่าเจริญกุศลทีแรกทําท่าว่าจะเจริญกุศลเจริญไปเจริญมากลายเป็นอกุศลเนี่ยนะอากุศลมันเจริญขึ้นโตเอาโตเอาเนี่ยนะหมายก็ว่าเปรียบเหมือนเราจะไปรดน้ําใส่ปุ๋ยต้นไม้เนี่ย หรือข้าวกล้าให้ข้าวกล้านี่มันงอกงามรดน้ำพรวนดินใสปุยยิ่งทําไปมากเท่าใดหญ้ามันก็งามขึ้นงามขึ้นแทนที่จะเป็นกุศลงามต้นข้าวกล้างามกลายเป็นว่าไอ้วัดจะพืชเนี่ยนะด้านงอกงามพระองค์ก็เลยตรัสบอกวิธีการว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรมณสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศล น, นะวิธีการอันดับแรกก็คือเจริญ สมมติถ้าคิดถึงสิ่งใดแล้วเป็นอกุศลเปลี่ยนเรื่องที่คิดซะเปลี่ยนอารมณ์นั้นซะถ้าเปลี่ยนอารมณ์สำเร็จกุศลจิตก็เกิดได้เพราะฉะนั้นเมื่อเธอมาณสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอยู่เป็นนิมิตที่ประกอบด้วยกุศลวิตกที่เป็นบาปเป็นอกุศลประกอบไปด้วยฉันท่บ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้อกุศลวิตกนั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเป็นสงบเป็นธรรมเอฏผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแหละเพราะถ้าหากว่าเกียดกันกําจัดละอกุศลวิตกออกไปเนี่ยนะกุศลวิตกหรือกุศลจิตก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเนี่นะจิตก็ผ่องใส ย, ยิ่งขึ้นกุศลธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องเท่าใดสมาธิก็ตั้งมั่นเท่านั้น เหมือนช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ฉลาดใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกเนี่ย น, นะหมายถาว่าเรียกว่าใช้ลิ่มตอกลิ่มแม้ฉันใดดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออาศัยนิมิตใดแล้วมานสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันท่าบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นดูกรพิสูจน์ทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรมนานสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลเมื่อเธอมนานสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลที่ประกอบด้วยโลภะแปดโทสะสองโมหะสิบสองเนี่ยนะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตตกอันเป็นบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้น มั่นในภายในนั่นแหละอันวิธีแรกในการกําจัดอกุศลวิตกทั้งหลายก็ความในอันตตกถาที่กล่าวบอกว่าเมื่อเธอประกอบอาธิจิตเนี่ยนะควรมณสิการถึงนิมิตทั้งหประการเนี่ยตามกาละอันสมควรหมายคำว่าตอนแรกเนี่จเจริญ ม, มูลกรรมฐานใช่ไหมเจริญกรรมฐานที่เป็นปาริหาริยกากรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ตัวเองถนัดและก็คล่อง พอเจริญไปเจริญไปเนี่ยถ้ามันเจริญแล้วมันดีก็เจริญต่อไปไม่จําเป็นต้องมาคิดถึงวิธีการป้องกันห้าวิธีเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเจริญไปเจริญไปเนี่ยนะอกุศลวิตกเกิดแทรกขึ้นมาในระหว่างที่เปรียบเหมือนว่าถ้าชาวนาผู้ฉลาดเนี่ยนะ เ, เกียเเก่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวไปโคมันนั้นเข้ามากินข้าวกล้าทํายังไงยังเกี่ยวต่อไปไหมเขาก็เลิกเกี่ยวไปไล่โคหนีไปก่อนแล้วก็มากลับไปเกี่ยวต่อฉันใด ผู้ที่เจริญสมถะหรือเจริญวิปัสนาอยู่ทั้งหลายก็เหมือนกันพอเจริญไปเจริญไปอกุศลวิตกซอกมาในระหวา่างก็ต้องไปกำจัดอกุศลวิตกนั้นก่อนเหมือนทํางานเนี่ยทำไปทําไปไฟลุกไหม้ขึ้นมาก็ต้องดับไฟเสก่อนแล้วค่อยทํางานต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ไม่จําเป็นฉันใดผู้ที่เจริญสมถะ หรือประกอบอธิจิตเจริญจิตให้เป็นกุศลมากๆบ่อยๆเรื่อยๆ ย, ยิ่งขึ้นเนี่ยถ้าอากุศลไม่แท้ก็ไม่จําเป็นจะต้องไประงับไปปิดไปดับอะไรแต่ถ้าอากุศลเกิดขึ้นในระหว่างข้อแรกพระองค์บอกว่าควรมณสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นเรียก ว, ว่าอัญญานิมิตเนี่ยนะมันอัญญนิมิตเนี่ยคืออะไรนิมิตอื่นจากกุศลจากอากุศลตอนแรกเนี่ย จเจริญสมถะอยู่พอจเจริญไปจเจริญไปอกุศลมันเกิดขึ้นแล้วก็คิดดูเอออกุศลนี่มาได้ยังไงพอรู้ว่าอากุศลมาได้อย่างไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ซะจิตเนี่ยจะเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลอยู่ที่วิธีมนสิการเนี่ยนะถ้ามนสิการเป็นคิดเป็นใส่ใจเป็นกุศ ล, ลธรรมก็เกิดขึ้นถ้าคิดไม่เป็นหรือไม่ฉลาดคิดคิดไม่เป็นอกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายก็จเจริญเอาจเจริญเอาเนี่ยนะทีนี้พอ จเจริญไปจเจริญไปอกุศ ล, ลวิตกเกิดขึ้นทําไงจเจริญไปจเจริญไปโลภะเกิดจเจริญไปจเจริญไปโทสะเกิดจเจริญไปจเจริญไปโมหะเกิดขึ้นเนี่ยทำอย่างไรดีในหน้า241กล่าวถึงวิธีการกําจัดอักุศลโดยใช้นิมิตอื่นเนี่ยนะนิมิตอื่นคืออาศัยอารมณ์อื่นมาเป็นเครื่องแก้อกุศลวิตก ในข้อนั้นชื่อว่านิมิตอื่นคือวิตกประกอบด้วยฉันท่าเกิดขึ้นในสัตว์จังไหลายการเจริญอสุภะชื่อว่าเป็นนิมิตอื่นหมายคำ ว, ว่าถ้าเราเกิดนึกชอบใจในสัตว์สัตว์ในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงสัตว์เดราาัจฉานชอบใจในคนด้วยกันนี่แหละเรียกว่าเจริญกรรมฐานไปเจริญไปเจริญไปแล้วก็คิดถึงใครบางคนหรือหลายคนก็ได้เนาะก็อันนี้ก็เจริญอสุภะก่อนเนาะ เมื่อวิตกเกิดขึ้นพอใจในสังขารทั้งหลายมีปัจจัย4 G ี่จีวอนเป็นต้นควรมานาสิการถึงความเป็นของไม่เที่ยงในนิมิตนั้นอันนี้ชื่อว่านิมิตอื่นหมายคำว่านึกไปนึกมาแหมกังวลเหลือเกินกับจีวอนนี่แหละเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มมาทั้งหลายเนี่ยนะหรือเมื่อเธอวิตกประกอบด้วยโทสะหมายคำว่านึกเกลียดใครบางคนขึ้นมานะแปลง่ายๆว่านึกหมันไส้ขึ้นมาเนี่ยเจริญกรรมฐานอยู่ดีๆนึกหมั่นไส้ไอ้คนพูดทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ไง นึกโมโหขึ้นมาเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เจริญเมตตาอันนี้ชื่อว่านิมิตอื่นก็ต้องแก้ไปด้วยเจริญเมตตาเมื่อวิตกในสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นอันนี้ควรมนานสิการถึงธาตุนะเมื่อว่าคิดถึงสังขารทั่วๆไปก็มนานสิการว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งแล้วก็อันสุดท้ายอันที่ห้าก็คือวิตกที่เกิดกับโมหะเกิดขึ้นภิกษุควรอาศัยธรรมะห้าประการอันนี้ชื่อว่านิมิตอื่น คือหมายความว่าวิธีแก้โลภะที่ชอบในบุคคลทั้งหลายหรือชอบในสิ่งของทั้งหลายวิธีแก้โทสะที่ชอบอที่เกลียดในบุคคลทั้งหลายหรือว่าในสิ่งของทั้งหลายหรือวิธีแก้โมหะมีอยู่ห้าวิธีด้วยกันอันดับแรกอันดับแรกก่อนที่บอกว่าสมมติท่านนึกถึงว่าเจริญกรรมฐานไปเจริญไปแล้วไปนึกถึงใครบางคนเข้า น, นะหรือหลายคนเข้าที่ตัวเองชอบใจเนี่ยนะทำไงดี อธิบายว่าเมื่อโลภะเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายโดยในเป็นต้นว่าโอ้คนนี้มือก็สวยเท้าของผู้นี้ก็งามเป็นต้นเนี่ยคิดถึงแต่ความงามมองยังไงก็งามไปหมดเป็นต้นเธอก็นํามาพิจารณาด้วยอสุภะคือสิ่งที่ไม่งามนะโดยการตั้งคําถามถามตรงๆเลยว่าท่านชอบอะไรท่านกําหนัดยินดีอะไรท่านชอบผมทั้งหลายใช่ไหมผมใช่ไหมที่ต้องการเอา หรือว่าชอบขนหรือเอาเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเอาเนื้อเอาเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับหัวใจพังผืด ม, ม้ามปอดลำไส้ยยใหญ่ไส้น้อยไส้รัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเลือดน้ำเสลดน้ำมันข้นตลอดจนถึงชอบปัสสาวะหรืออย่างเงี้ยนะชอบอะไรอ๋อแล้วก็เอาไว้ตั้งมาตั้งแยกแล้วก็ไล่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นช้ น, เ ป, น, ชนเป็นชิ้นไปเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วก็อันนี้วิธีและอันดับแรกก็สอบถามดูก่อนว่าชอบอะไรกันแนะ่ ธรรมดาอัตภาพนี้ประกอบด้วยกระดูก300ท่อนนะกระดูกเด็กๆเกนี่ยตั้งแต่แรกเลยมันจะมีประมาณ300ชิ้นเนี่ยนะผูกไว้ด้วยเอ็นประมาณ900เส้นนะเส้นคําว่าเอ็นนี่รวมทั้งพวกเส้นประสาทเส้นไร้รัรดเส้นอะไรทั้งหลายแหละเส้นเะลือดเส้นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะรวมทั้งหมดประมาณ900เส้นฉาบด้วยชิ้นเนื้อประมาณ900ชิ้นนะที่เป็นมาปะปะปะตะฉาบเอาไว้แล้วก็หุ้มห่อด้วยหนังสด อันความน่ายินดีเนี่ยพอใจเนี่ยคือผิวเนี่ยปกปิดเอาไว้ตัวที่น่ายินดีก็อาศัยผิวเท่านั้นแหละเปรียบเหมือนหนังสดที่มาปิดหุ้มเอาไว้อันหนึ่งเล่าของไม่สะอาดที่ไหลออกมาจากแผลของทั้งก้าวของกายนี้ทุกเมื่อคื อ, อ น, นะไหลออกจากตาบ้างเรียกว่าขี้ตาไหลจากตาขี้หูไหลออกจากหูน้ำโมกไหลจะออกจากจมูกบางคราวก็สำรอกออกจากปากแล้วก็อุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะเป็นต้น แล้วก็คุ้มขนมีทั้งหมดประมาณเก้าหมพันคุมแล้วก็ร่างกายเนี่ยที่มีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยซากซากศพหรซากอสุภะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจกลิ่นของผมเนี่ยกลิ่นผมแท้ๆจริงๆอ่ะน่ารังเกียจกลิ่นของเล็บของฟันของหนังกลิ่นแท้ๆของสิ่งละนั้นจริงๆจะน่ารังเกียจเป็นของปฏิกูลสะสมไปด้วยสิ่งปฏิกูลอยู่สามสิบสองประการจะหาสิ่งที่เป็นแก่นสารหรือสิ่งที่ประเสริฐในกายนี้ไม่ได้มี เดี๋ยนะฮะจะเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีเลยเนะไม่เชื่อบอกว่าอะไรที่มันหลุดออกไปจะเก็บรักษาเอาไว้ไหมไม่มีใครเลยนะตัดผมแล้วก็เก็บเอาผมไม่เป็นที่ระลึกผมทังตัวเองเนี่ยนะเอามาโกนผมนะไม่เคยเก็บเอาไว้เลยเนี่ยนะล้างรีบรีงรีบทิ้งหลยนะไม่เอาไว้หรอกท่านโกนหนวดก็เหมือนกันไม่เอาไว้รอกเหมือนกันท่นก็ตัดเล็บก็ไม่เคยเก็บเอาไว้อีกเหมือนกันเนี่ยนะท่านก็ร่างกายเนี่ยก็เหมือนกันอะไรที่มันหลุดแล้วก็ห้ยแล้วไปเลยเนี่ยนะเอาเก็บไว้ไม่ได้ปฏิกูล